أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و َ إ ِ ن ه ذ ه أ م ت ك ُ م أ م ت و َ ا ح َِ ة و ا ُ م ّ ت ُ ك ُ م ْ أ ُ م ّ ت َ ا ح د ة وَأَنَا رَبُّكُمْ ف َ ت َ ق ُ و ن ف َ ت َ ق ُ و ا أ َ م ْ ر ُ ه ُ م ب ِ ن َ ه ُ م ْ ز ب ر َ فَتَقَطَّعُ أ َ م ْ ر ُ ه ُ م ب َْ ن َ ه م ز ُ ب ُ ر َ كل حزب بما لديهم فرحوا، فذبهم في غمرتهم حتى ف ه م في غمرتهم حتى حين. ما ن م ي لهم م ل ه بني ن س ا ع ه م في الخيرات ن س ا ع ه م في الخيرات بل ا يشعرون بل يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم إنَالْحَمْدُلِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَآتِ عَمَالِنَا مَيَّاهُهُ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا يُضْلِلُ فَلَا ه َ د ِ ي َ لَهُ وَأَشْهَدُ ل ل ه َ إ ا ل ل ه, ه و ح ا ش ي ك و أ َ ش د ن َّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُ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 ا ل l a h إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبري ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أ ع ا ف ن ي في في بدني و ا ع ف ن ي في سمي و ا ع ف ن ي في بصرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับ พี่น้องที่มาร่วมมาซุบ์ที่มัสยิดของอัลลอฮ์เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานหูวะตาลาที่เราหลับไปเมื่อคืนนี้ไม่ใช่หลับเองนะอัลลอฮ์ให้หลับพอตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจได้ก็ต้องกล่าวว่าอัลฮ ah ัมดุลิลลาฮิลลาดิอัพยานะบาดมาอามาตานะไวไลฮิลนุชูร ดวอาตต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นการสอนสอนเราเองไม่ให้เราเนี่ยลืมความยิ่งใหญ่ของอัลลอสุบฮา น, นอาอฺการหลับไปก็ดีอัลลอให้นอนการพักพอเนี่ยเป็นของประเสริฐที่สุดการนอนหลับนี่เป็นเนมาตรันยิ่งใหญ่เพราะขณะที่บางคนนอนไม่หลับมีไหม คนนอนไม่หลับ่ต้องอ่านดูอาครับจะให้ตัวอาเลยนะอัลลอฮุมะรอตินูจุวาฮดาอติลอายุนอันตะฮยุนอยุมลาตักุกสินตุวะลาามวะฮดไลลีวอานมานีนี่เป็นตัวอาที่สาหรับคนที่นอน ไม่หลับพอผมไม่มีปีละครั้งหรือสองครั้งนอนไม่หลับอ่านดูอาบทนี้ก็ไม่หลับอีกแต่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านผลลุขึ้นมานมามียามุลเลลแป๊บเดียวแป๊บเดียวทาวําชาจะหลับมันเป็นยาที่ดีที่สุดน้ำมาเนี่ยน้ำมา ต, นนมา ต, ตอนกลางคืนเนี่ยอัลลอฮฺอัลบัดยิ่งใหญ่จริงๆ แตนั้นต้องอ่านดูอาไหมต้องอ่านดูอาคือต้องผมอ่านทุกคืนดูอาบที่นี้เพาควรนอนไม่หลับอัลลอุมะกราหตินูจุมวะฮดอติลอยุอันตะฮยุนกยยุมลตซุกสินะตุวะลานาวะดไลลีวะอานิมอินีอัลลอฮฺอัลลอฮฺิงใหญ่มากเลยขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เรามีโอกาสมาทบทวนคุณอ่านที่บ้านของอัลลอ์ แล้วก็ถ้าอ่านฮะดิษจะพบคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดบ้านของอนะัลลอฮฺยาตาดารอสู่น่ะนั่งอ่านนะครับหาความรู้จกากอุปนิสเนี่ยอัลลอฮฺให้สีสส่ประการประการที่หนึ่งอัลลอฮฺจะให้สกี้นะ่ะความอะไรนะความสงบทางด้านหัวใจเกิดขึ้นกับคนที่นั่งอยู่ในบ้านของอัลลอฮฺแล้วก็ทบทวนอัลกุรอานข้อที่หนึ่งอัลสกี้นะ่ะ ข้อที่สองอัลลอฮฺจะให้ราะห์มะหมายถึงความเมตตาลงมาที่หัวใจทั้งหมดเรื่องที่สามบดาอิกราจะยืนห้อมล้อมให้เกียรติกับคนที่นั่งอ่านคุณอ่านหาความรู้จากอัลกุรอานที่บ้านของอัลลอฮฺที่เราเห็นนะบราอิกรายืนเป็นแสลเลยเนี่ยมากกว่าเราอีกอยุตเต็มูเลยเนี่ยให้เกียรติให้เกียรติที่แล้ เอาคำภีของอัลลอฮ์มานั่งงานในบ้านของอัลลอฮ์สุพานหนาบูวาตัดและเรื่องที่สี่อัลลอฮ์จะเล่าเรื่องของเราตรงเนี้ข้างบนเล่าให้บรรดามลายิกาที่อยู่ ร, รบอบๆอัลลอฮวาเน่บาวของของเรากลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ที่มัสยิดอันวาติสุน่าคองเค็ตเนี่ยเล่าให้บรรดามลายิกาที่อยู่บนชา้น ป, าปา่าฟังสี่ประการเรื่องอย่างนี้เป็นความลับ ท่านอบดุมฮัมหมัดไม่เล่าเรารู้ไหมไม่รู้แค่ท่นคนที่เข้าใจเรื่องอย่างนี้เนี่ยอัลลอ์มันมันยิ่งใหญ่จริงๆนะนะครับหนึ่งอัลลอ์ประทานอะไรนะสา ก, กี้นะสองรหชมาสามมะลลย์ก่ายืนห้อมล้อมให้เกียรติใช่ไหมล้วข้อที่สีอัลลอ์จะเล่าเรื่องของเราที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี้เราให้ใครฟัง บรรดาเมญายิกาที ah Allah, an, N abi, N abi or, ่อย ah ู่รอบๆอัลลอฮฺสุภาโนบูตาล้นะครับนี่เป็นเนอ้อมาตรฐาความโปรดปรานเป็นเรื่องลับที่อัลลอฮฺเล่าผ่านนบีนบีมาสอนให้พวกเราทราบวันนี้ครับวันนี้เรามาทบทวนกุณอ่านอายะฮ์ที่ห้าสิบสองนะครับนะครับว่าอินนาฮิฮิอุมมัตุคุมอุมมัตตวาฮิดะ ว่า أنا ربكم فتاكم و إن هذه أمةكم أمة واحدة و أنا ربكم ف ت Allahu Akbar ทุกขยามีความหมายหมดเลยนะขยานี้ Allah ต้องการจะสอนอย่างนี้นะ สรุปก่อนนะบรรดานับีทั้งหมดที่มาในโลกนี้บรรดานับีทั้งหมดนะอับดุลที่มาสอนน่นก็คือนบีนวัวคนแรกเลยนะทุกนับีที่ที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยให้ศาสนามาด้วยนะมาสอนเรื่องอะไรอับดุกรุรอานคือสอนเหมือนกันหมดเลยนะวอินฮาดีฮีเลแทจรฮาดีฮีแปลว่าวอันนี้ าศาสนานี้เนี่ยอุมมาตุกุมอุมมาเนี่ยแปลว่าเดิมแปลว่าประชาชาติแต่ตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าประชาชาติแปลว่ า, าศาสนาแปลว่ า, าศาสนาไม่ใช่ประชาชาตินะแปลว่ า, าศาสนาใครแปลนะครับผมเช็คตัฟซีดสี่เล่มตัฟซีดสี่เล่มมีอะไรบ้าง มาลิมรูฮุลมาานีอิบนุกสซีรอิบนุจริดสีเ่เล่มเนี่ยครับแปลเหมือนกันหมดเลยแปลว่าอะไรนะศาสนาแปลว่าดีนุกุมหรือชารีอะตุกุมแปลว่าศาสนาแท้จริงศาสนาของท่านทั้งหลายนั้นอุมมท่ันเป็นศาสนาวาฮิดัดันอันเดียวกัน ทำให้เราพูดแต่เต็มปากเลยว่านาบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้เป็นมุสลิมหมดเลยกล้าพูดไหมกล้าพูดแล้วจากหลักฐานอายาในอายานี้อายาที่ห้าสิบสองสุร์อัลมุมินุนตัดซีกี่เล่มนะสี่เล่มอิบนุกะเซรุฮุล uh um มาเนีมาลิมนะครับอิบนุจารีตแปลเหมือนกันหมดเลยแปลว่าอุมมาตุกุมหมายจงดีนุกุม ศาสนาของสูเจ้าหรือชารีอะตุกุมหลักคำสอนของของสูเจ้าทั้งหมดที่มาในโลกนี้เหมือนกันฉะนั้นเรากล้าพูดว่าอิสลามเนี่ยมีมาตั้งแต่มาใดสร้างโลกนู่นเลยเน่ยนะพูดรจะเต็มปากมาั้ยอาญา น, นี้กับคืนหลักฐานอินนาฮิฮิอุมมัตุคุลมุมมัตอวาฮิดะแท้จริงศาสนาของท่านทั้งหลาย ตแต่ยุคปัจจุบันยุค ก, ก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดยุคนบีอิสานาบีมูซานาบีอิบรอฮิมอัล ย, าสายัสายูซุฟยูนุสอาจะตามแใจไปน้องทุกนบีนั้นมาสอนเรื่องอัลลอฮ์องเดียวคนในสมัยนบีมุฮัมมัดนี่นะนบีเคยเคยขึ้นคุยคุยกับอัลลอฮ์ปรึกษากับอัลลอฮ์ผ่านผ่านผ่นยิบรีน บอกว่าอัลลอฮ์นี่ให้เกียรตินบีอิบราฮีมว่าไงนะคอลีลุลลอช้ไว่าตรงนึกของเก่าด้วยนะอิบราฮิมเป็นขอลีลุลลอเป็นมิตรของอัลลอฮ์ส่วนนบีมูซาเรียกว่ากาลีมุลลออัลลอฮ์สนทนาด้วยแล้วก็นบียอิสซาเรียกว่ารูฮุลลออัลลอฮ์เป่าวิญญาณลงมา มีชื่อเฉพาะเฉพาะเฉพาะรักของฉันมีอะไรมุฮัมมัดเนี่ยมีอะไรอัลลอฮ์ก็บอกว่าผ่านจีบรีนบอกว่าชื่อฉันต้องคู่กับท่านตลอดเวลาเช่นอัลลอฮ์ไม่ใช่มุฮัมมัดอัลลอิ์อัลลอฮ์ต้อมีมุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์ท่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องมีสององสองประโยค คนกาเฟรตจะรับอิสลามเนี่ยต้องกล่าวกี่ประโยคนะสองประโยคแรกก็คือลาอิละฮ์อิลลอละตามลงมามุฮ uh ัมมัดุลรอซูลลลอถ้ากล่าวประโยคเดียวซ่อไหมก็บอกไม่ซอนี่นะมุฮัมมัดสำคัญอัลลอฮฺอักบะรนบีกอยี่มุลฮัมเป็นรองครับเราะนั้นในยุค ข, ของนบีมุฮัมมัดยุคสุดท้ายเนี่ยใครจะรับอิสลาม คือต้อง จ, จะเรียนรู้เรื่องอิสลามต้องเข้าใจอสองเรื่องนี้ก่อนนะและอิลลฮ์อิลละลลอฮ์มุฮัมมัดอุลลุลลอฮ์มุฮัมมัดอุลลุลลอฮ์เนี่ยสำคัญมากนะคือยอมรับใน allah, อัลลอค์องเดียวแล้วยังไม่พอวิธีปฏิบัติของดีๆทั้งหมดต้องต้องมาจากท่านนาบีคนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์เลยที่จะคิดนู่นคิดนี่แทนนบีคิดไม่ได้เข้าใจนะ لا إله إلا الله ت ا ب ด้วยมุฮัมมัด الرسول الله و อินนั่น هذه أمة كم أمة ت و ا ه د ا แตะแท้จริงนี่คือหมู่ชนหรือว่านี่คือศาสนาของท่านทั้งหลายนั่นอุมมตาวะฮิดะ เป็นศาสนาเดียวกันหรือเป็นหมู่ชนเดียวกันแต่แต่ศาสนาเดียวกันดีดีที่สุดเลยห้ามดูเลืล่อๆนะเป็นศาสนาเดียวกันหมดเลยนะแต่วิธีการอ่าวิธีปฏิบัตินั้นไม่เหมือนกันแต่อัลลอฮ์ในมีกี่องค์ อ, องค์เดียวกันมาตลอดฉะนั้นยุค ข, ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยหลักการปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับนบียุคก่อนก็ได้อย่างนี้เป็นตัวอย่างยกยกตัวอย่าง สมัยก่อนนี่นะผัวมุสลิมเมียมาช่มุสลิมอยู่ด้วยกันได้อลัลละเบญดโกการให้แต่ยุคนี้ได้ไหมไม่ได้สามีกวต้องเป็นมุสลิมภรรยากวรต้องเป็นมุสลิมแต่ว่าอยู่กันในวันนี้เนะี่ยอยู่แบบคนยุคก่อนมีมาเยอะผัวนับถือศาสนาอย่างหนึ่งเมียอีกอย่างหนึ่งอยู่ด้วยกันได้ไหมได้เพราะว่าอยู่เพื่อสังคม ไม่จะอยู่เพื่ออัลลอฮ์นะอยู่เพื่อสังคมอเช่นอาจารย์ผมมีคนรู้จักหลายคนผัวพุธเมียอิสลามแต่อยู่ด้วยกันไปน้องอยู่ในบ้านเพราะคนรู้สึกลุกหาจ้องมองอยู่เนี่ยอยู่ก็ยังไงก็อยู่เพื่อสังคมไม่ได้อยู่เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาโวะตาดังนั้นใครก็ตามนะถ้าไม่ได้อยู่เพื่ออัลลอฮ์รางวัลตอบแทนในโลกอาคือเราไม่มีครับแต่บนดวงจันทรนี่ก็อเอาไปเลย เข้าใจนะเข้าใจนะครับว่าอินฮาดิอุมมัตุกุมอุมมัตาวาฮิดะและแท้จริงนี่คือหมู่ชนหรือศาสนาของสูเจ้าเป็นศาสนาเดียวกันว่าอานาลบุกุมฟัตะูนดังนั้นจงยำเกรง จงสำรวมตนจงยำเกรงต่อใครนะต่อฉันฟัตตะกูลจงยำเกรงต่อฉันมาจงยำเกรงต่ออัลลอว่าอานารบุคุมฉันนี้เป็นอะไรนะเป็นพระผู้อภิบาลของท่านทุกคนใครกล้าพูดได้อย่างงี้อัลลอฮฺอาวอัลลอฮฺพูดเพียงผู้ดเดียวนะอานารบุคุมฉันเป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านทุกคนที่อยู่บนโลกบนยาใบนี้ ขณะนี้ประชากรมีเท่าไหร่นะ7พันล้านอัลลอฮฺเป็นพระเจ้ากับทุกคนเลยอัลลอฮฺเป็นมีศิลปตเป็นอิลาหุนเป็นรบบุญอัลลอฮฺเนี่ยเป็นทั้งพระเจ้าแล้วก็เป็นทั้งพระผู้อภิบาลด้วยแล้วก็มีศิลป์เท่าไหร่ศิลกตอเลาะเท่าไหร่99ก็ดูนิว้วมือดูดูฝ่ามือเราด้วตำงมงค์ถ้าลงๆนะมือซ้ายเนี่ยมีเลขแปลกก็เรียงหนึ่ง มีทุกคนเหมือนันหมดเลยมีแปดกับหนึแล้วก็มือขวามีหนึ่งกับแปดเราเอามาบวกกันสิเท่าไรเก้าสิบเก้าเป็นสิบฝ่ายของใครมาจากของเราของใครของอัลบล็อกสวานาะหั ว, วตาละ่ะข้อคิดมากครับแต่ทั้งคนที่ดูหมอเลือกดูหมอได้แล้วนะครับนี่แปกับหนงกับหนึ่งหนึ่งกับแปดนะอ่ะทีนี้ ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่คนจะต้องออกหรือเข้าเอาถามพวกเราเนี่ยยิงอยู่ไปอยู่ไปคนจะออกจะศาสนาหรือจะเข้ามาอยู่ในศาสนาคนจะออกหรือคนจะเข้าส่วนใหญ่คนจะเข้าไม่จะคนออกแต่พี่น้องชีอาเราเนี่ยพูดต so ัมเนียอคาร์บะ หลังจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วสาว บ, บ้านนบีตกมุรตัดหมดเลยเป็นแสนตกหมดเหลือไม่กี่ท่านออกหรือเข้าเนี่ยออกแต่คุณอา่านคุณอา่ณอานอธิบายยังไงคุณอา่านพูดดีมากครับอิจาจะนะสรุลลอฮิวัลฟั์วะรออัยตันนาส ยาดกูลูนัฟ <ito> <afraid> <al> ิด <ique> ีนิลลาฮิอัลลอฮินี่อัลลอประทาน์ุรอลลมาให้นบีมุฮัมมัดและให้พวกเราด้วยวันนี้อ่านแปลว่าอะไรครับเมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮมาว่าวันฟาตฮ์และนบีได้มายึดนครมักกะฟัตะมาถึงพิชิตนครมักกะ ท่านจะเห็นเราไอาตานาันน่าเห็นประชาชนเนี่ยเป็นไงครับยัตคูลูนฟีดินินแล้วเข้ามาอยู่ในาศาสนาของอัลลอฮ์อัฟวาญาเป็นอะไรนะเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มออกหรือเข้าเข้าไม่ใช่ออกแ่พี่น้องชายเราเนี่ยนำโดยอับดุลลาบินซบะนี่เป็นยวเป็นคนยิวนะครับ ที่แกล้งมารับนับถืออัลอิสลามแล้วก็ดีใจนะว่าสอฮาบะตกมุตตานี่ดีใจกันหมดเลยเราพอรู้ว่าสอฮาบะตุกมุตต่เสียใจใช่ไหมอัลลอฮ์ท่านอบูบัคตกมุตต่าไซนาอุมัดตุกมุตต่าไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยรู้ดีเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงโลกใบนี้จะอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ดูแลจะเป็นผู้เดียวอัลลอฮ์เล่าทงางคีรพวกอ่านว่ายาติคูลู้นะ มีแต่จะเข้าจะเข้าจะเข้าจะเข้าเรื่องออกไม่มีออกก็มีบ้างพวกเราทีละคนสองคนาอมีเป็นแขกชื่อชื่อมะแต่แม่รับแม่ไม่สนใจอิสลามเลยมีไหมมีแต่มันน้อยกว่าคนเข้านะ่ะในผมได้รับข่าวไวๆเนี่ยที่เกาหลีรับอิสลามครั้งเดียวสามพันคนนำโดยอับดุลลอมอับดุลลอจอนฮัญีอับดุลลอจอน เรียนอิสลามมาตั้งสิบปีน่ะแล้วก็ค่อยเรียนค่อยเรียนทั้งมึกทำทั้งหมู่บ้านจอนเนี่ยรับอิสลามมาเลยสามพันคนเข้าหรือออกเข้าถ้าหักออกต้องเปลี่ยนอาย่ญญานี่ใหม่ว่าเราไอ้ตันยักรูยูนะ่ะอ่ามันต้องเปลี่ยนอายาใหม่เต้องเปลี่ยนซั์ใหม่ยักรูยูนะ่ะมินดีนี่แล้วจะออกจะศาสนานี้แต่ปรากฏ ว, ว่าญาติคูลุนี่จะเข้าจะเข้าจะเข้า แคนั้นอิสลามเลยนะจะจะมีประชากรมากที่สุดในโลกครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆอยันใหน้าที่ของพวกเราเนี่ยยืนหยัดอยู่ในศาสนานี้แหละแล้วก็ถ้ามีความสามารถสอนคนอื่นได้ยิ่งดีแต่คนที่จะสอนคนอื่นได้มันก็ต้องมันก็ต้องต้องอ่านหนังสือเยอะนะคำถามนู้นถามนี่บางทีตอบไม่ได้ก็ น, น่าแตกกันใช่ไหมแฉะนั้นศ า, าสนาอิสลามมีแต่คนเข้าไม่มีคน คนออกไม่มีมีแต่ค้นเข้านะครับทมดูเรืลอยๆอ้าพี่องมาดูอายาที่ไหนอายาที่ห้าสิบสามอายา t h i สอนดีนะาศาสนาอิสลามมีตั้งแต่เริ่มต้นของโลกใบนี้แล้วทุกนบีสอนเรื่องอัลลอฮ์หมดเลยนะครับตัวชาริอะนั้นอาจจะแตกต่างกันเรืเรอล็กน้อยนะครับอายาที่ห้าสิบสาม ฟตั ط ต่อกัน أمرهم بينهم ز ب و ر ا كل حزب بما لديهم فرحون ฟตั ط ต่อกัน أمرهم بينهم ز ب و ر ا هم هم كل حزب بما لديهم فرحون อัลลอฮฺอักบะต์อัลลอฮเล่าให้ฟังต้องการจะเล่าว่าที่มันแตกแตกออกไปเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยเพราะอะไร <c oughs> ที่แตกกันไปเนี่ยใช่ไหมศาสนาเนี่ยเยอะไปหมดเลยวันนี้ใช่ไหมมุสลิมกับมีตั้งชีอะเต็มหมดอะไรแต่อะไรใช่ไหมผวกนั้นพวกนี้พวกนี้พวกนั้นเนี่ยแล้วก็พวกไหนถูกที่สุดแล้วแตกไปเพราะอะไรมาดูกลุ่มอารยานี้ครับ ว่าจะกบตอแต่พวกเขาได้ได้ตัดเฉือนหรือได้ได้ตัดขาดตอกกบตองเอาไปว่าตัดได้ตัดกันได้ตัดอะไรนะและพวกเขามนุษย์ชาติยุคต่อต่ อ, ตอมาที่หลงนะมนุษย์ต่อต่อมาที่หลงเนี่ยเขาได้ตัดเฉือนหรือได้ตัดขาด อัมราหุมกิจการของพวกเขาใบหน้าหุ้มในระหว่างพวกเขาเขาตัดออกมันก็กลายเป็นกลุ่มเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆล็ๆลๆเลๆเๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเกๆเ็กๆเล็กๆเล็กๆเลๆเล็กๆล็กๆเล็กๆกๆลกๆล็กๆล็กๆกๆลุ่ๆนล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็ๆเล็กๆเล็กๆเล็กเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเั็เล็กๆเล็กๆเล็กๆเล ที่ไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยมักจะคิดอะไรแปลกๆฟาตอกตอออัมรอหุมไบนาหุมซูบรอแต่พวกเขาวงเล็บนะครับในภาษาอุดูอธิบายดีนะเป็นมนุษย์ชาติยุคต่อต่อมาที่หลงนะที่หลงที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยได้ตัดเฉือนหรือได้ตัดขาดกิจการในระหว่างพวกเขาซูบุรอเป็นพวก พวกเป็นพวกเป็นพวกเป็นพวกเป็นพวกเป็นพวกนบีทํานายว่าไงนะกลุ่มมุสลิมกับกลุ่มยิวกลุ่มคริสเตียนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเท่าไหร่นบีบอกว่ากลุ่มยิวทไทยเจ็ดสิบสองกลุ่มพุค้คสตคริสเตียนกลุ่มยะฮูดีเจ็ดสิบอ็ดกลุ่มมุสลิมเจ็ดสิบสามเนี่ยมากกว่ากลุ่มใดทั้งหมดเห็นอย่าง ฝาตโกตตองอูนี่แหละเพรมันเฉือนกับไปเฉือนกับมาตัดไปตัดมาเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนบีบอกน ะ, ะเฉพาะมุสลิมเนี่ยแขกนี่แหละประมาณเจบสากลุ่มท่นนี้ทุกกลุ่มเนี่ยไปยนรกหมดเลยยกเว้นคนกลุ่มเดียวมาอาณาอาไลฮิวะอัลฮะบียกเว้นมีอยู่กลุ่มเดียวนะมาอาณาอาไลฮิวะอัลฮบีคือกลุ่มชนที่ยึดนบี อานาบีทํำยังไงก็ ย, ยึดนบีนบีทํำยังไงนบีกินยังไงนอนยังไงอัชอดได้ยังไงพยายามทำตามนาบีให้หมดวะอัสฮาบีแล้วก็ทําตามซอฮะบักของท่านนาบีกลุ่มนี้ต่างหากที่ปลอดภยัยนอกนั้นไม่ปลอดภัยหมดเลยฉันต้องเรียนเป็นน้องต้องเรียนสุนาัขนาบีเยอะๆเอานาบีสั่ง อะไรกุ่มบิสุนนาตีท่านทั้งหลายจงเรียนรู้เรื่องสุนนะของท่านนาบีเรียนโดยทั้งปฏิบัติได้นะแล้วก็วาซุนนาติลโคลลฟะและสุนนะของบรรดาคอลิฟะคอลิฟะอย่างน้อยอยัลลอ์สี่ท่านคยนยินงสิบท่านเนี่ยเรียกว่าท็อปเทเนี่ยนะที่อัลลอ์สัญญาว่าจะไปสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบเลยเนี่ยเพรานี่สิบท่านเนี่ย นคนที่เสียสละรักนบีเป็นห่วงนบีหออักบัดยิ่งใหญ่ฉะนั้นกุรานอธิบายเลืงบอกว่ามนุษย์ชาตินี่นะจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยซูบุตซูบุตเนี่ยเดินแปลว่าคัมภีร์แต่ตรงนี้แปลว่านะแปลว่าฟิฟก็แปลว่ากลุ่มติ๊กต้แปลว่ากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยซูบุตแปลว่าคำพีเดิมนะนะแต่ตรงนี้แปลว่ากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยฉะนั้น ยิ่งอยู่ไปอยู่ไปคนในโลกนี่เยอะขึ้นมันก็แบ่งเป็นกลุ่มนู่นกลุ่มนี้เยอะไปหมดเลยแต่แต่มีอยู่กลุ่มเดียวเป็นไงรู้ไหมที่อัลลอ์พอใจก็คือกลุ่มที่ยึดนบีและยึดสอฮาบะของท่านนาบีเท่านั้นัอัลลอฮ์สบฮานะานบีแต่ละคนในไปนองเขาต้องการจะเช็คว่านาบีเนะี่ยอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงฉี่ยังไงนบีอยู่ที่บ้าน่ะมีสอฮาบะบางคนขึ้นไปบนหลังคาบ้าน หลังอื่นๆนะนะจะไปดูว่านาบีเนี่ยชี้ยังไงจะได้เอาสุน่านาบีเอาแบบนบีมาใช้เขาไปดูเห็นนบีนั่งชี้เขาบอา อ, อายะนบีนั่งชี้เหมือนผู้หญิงเลยเขาบอไม่ใช่นี่แหละมารยาในการชี้ต้องอย่างนี้ไม่ใช่ยืนชี้ยืนฉี้น่ะแพะควายบัฟฟาโลใช่หรือไม่ใช่ใชอูใช่ไหมนัม่นก็ยืนชี้บนเลยอะ นนคนเนี่ยจะต้องทำตัวไม่เหมือนสัตว์ต้องไม่เหมือนแอนิเมลต้องเหมือนกครเหมือนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอาจจะชื่อสั้หล่าัขึ้นบนหลงังคาบ้านจะดูนบีทำยังไงเห็นอย่างครับยาจะปฏิบัติตามนาบีในทุกๆเรื่องนะอัลฮัมดุลิลละมีคนโทรศัพท์มาหาผมตอนที่นบีไปเคาะไปเคาะบ้านลูกสาวนาบีหลังจะแต่งงานแล้วนะบอกวา่วา ลีกับฟาติมานมาดกันยังสองคนเนี่ยเขาถามว่านาบีเคาะยังไงหลังมือหรือวันหน้ามือหรือวันใช้ทุบจะได้เอา้ารูปแบบของท่านนาบีมาใช้เห็นไหมพี่น้องนี่ไงคนที่รักสุนัขนบีนี่ยากจะปฏิบัติเหมือนนบีทุกๆรายการทามุลิลเอาต่อมาจะนี้มาแยกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่ ม, มน้อยจะเป็นไงครับ กุลหิซบิบมาลเดยิมฟาริฮุนอัลลออักบัตนี่อัลลอฮเล่าเลยนะแยกไปแล้วออกห่างจากศาสนาหลักการไปไกลขนาดไหนก็ตามห่างจากสุนนะไม่รู้ว่าเท่าไรจะเท่าไรขวางสุนนะด้วยด่าสุนนะนบีด้วยตำหนิสุนนะนบีด้วยแล้เป็นยังไงในใจของมเขาเป็นยังไงครับกุลฮิซบิ ทุกๆคณะแต่ละคณะอนนี้ละไดหิมที่พวกเขามีอยู่นั้นฟาริฮุนรื่นเริงพอใจดีใจทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ห่างหลักการทั้งๆที่อยู่ห่างอัลลอ์ทั้งๆที่อยู่ห่างกับสุนานนบีไกลแสนไกลน่ะแต่ความรู้สึกของพวกเขาในใจของพวกเขาเป็นไงครับแฮปปี้อัลลอ์ฟาริฮุนหมายถึงฉันเนี่ย อยู่ยทางน้ำที่ถูกต้องแล้วพวกเองแต่หากหลงทางใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมนี่ไปถามพี่น้องชียาง ก, ก็เด่นที่สุดเอามาถามพวกเราเราก็เด่นที่สุดแต่เอาอะไรมาตัดสินต้องกอ่ากะร์ซูน่นานาบีมาตัดสินอ่าฉะนั้นอย่าคิดเองพี่น้องครับถ้าคิดเองเนี่ยนะเออมันไม่ใช่ซุปเนี่ยใส่เกลือบางอน้ําตาลบางใส่พริกบางอันนั้นมันซุปอันนี้มัน อิสลามมาจากท่านนาบีเนี่ยมันต้องผ่านกุรอานและาสุนานะนาบีเท่านั้นเป็นตกวลงว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่แยกตัวออกไปนั้นห่างจากศาสนาห่างจากกุรอานห่างจากสุนานะนาบีแต่ความรู้สึกในใจเป็นไงโอ้โหฟาลิฮูแฮปปี้รื่นเริงสนุกสนานหมดเลยเห็นยังครับฉะนั้นจะเชิญคนเหล่านั้นนะมาเรียนสุนานะเนี่ยต้องใช้เวลานานไหม สิบห้าปีถึงยี่สิบปีรอลำบากครับฉะนั้นอรร่าก็เลยฟังฉะนั้นคนที่ทางานศาสนาต้องใจเย็นเย็นต้องใช้เวลาอีกนานแค่จะเปลี่ยนลูกเองเนี่ยนะที่เป็นแขกอยู่แล้วเนี่ยลูกเราวันนี้เนี่ยที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยแค่ไม่ไม่นามาเนี่ยเราก็ะปวดหัวใช่หรือไม่ใช่ขรอประตูลูกขึ้นอืมอืมอืมห้าเที่ยงยังไม่ขึ้นเลยนะ่ะแต่นักเรียนหญิงดีดีมากพอครูเรียกตื่นหมดเลยนะ กลับไปบ้านก็นอนมันเดินเอ้า <laughs> ดูกุณานนะครับฟาตาโกปออัมราหุมไบนหุมซูบุรอคุลฮิซบิมบิมาลไดัฮิมฟาดิฮานอัลลอฮ์นี่นะถ้าไม่รู้ความหมายนะอันอร่อยมากนะถ้ารู้ความหมาย อ, อร่อย ทุกกลุ่มที่แตกกันไปแตกจากอัลลอฮ์เราราสู้แจกจักรสู น, านา่านบีทุกกลุ่มแฮปปี้หมดเลยใช่หรือไม่ใช่ใ ช, ใช่นี่เรื่องจริงอ่านอธิบายให้ใความใช้เป็น้องของเราในตัวซีดภาษาอูดูเนะี่ะอธิบาย บ, าบาว่าไอ้ที่แตกแตกออกไปเนี่ยสีมัสฮับนี่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอาอมาพานาฟีอบูฮานีฟะฮัมบารีมาลิกีเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ไหมเขาบอกไม่ใช่ สี่กลุ่มนี้นะ่ะเรียกร้องคนไปหาอัลลอ์ทั้งสีม่มาสหบนนะ่ะเรียกร้องคนไปหาอัลลอ์หมดเลยพวกอ่านให้ฟังผมเช็คคดีสนะ่ะใช้เวลาสองวันนะ่ะกาเช็คหมดนี่นะอิมามอบูฮานิฟาก่อนนะครับซุอิล่าอันอบีฮานิฟะราะฮิมะฮุลลอฮุต้าเลาอิดะคุลตะกาวันวกิตาบุลลอฮิยุฮาลิฟู มีชายคนหนึ่งมาหาอบูอิมามพานิฟะมาถามบอกว่าสิ่งที่ท่านสอนท่านสอนสอนสอนสอนที่ท่านพูดพูดพูดหรือเขียนเอาไว้นะตบัตบตราก็ตามถ้าคำพูดของท่านนี้มันไปขัดกับอัลกุรอานให้ยึดของใครอิมามอบูนิฟะตอบไปกันนะทิ้งของฉันยึดของอัลลอ์และของอัลสุนเหอย่าง อิมาฮมันยฟีนะ Allah, อัลลอฮ์อ้าถามต่อไปอีกอุธรุกูบิกิตาบินแล้วจงทิ้นของฉันและยึดคำพีของอัลลอฮ์มีคนถามอีกว่าอิดากานะอบรุรอซูลอยู่คอลิฟูถ้าหากว่าคำพูดของท่านเนี่ยไปขัดกับสุนนะนาบีนะให้ทิ้นของนาบียึดของท่านหรือทำยังไงอิมามอบูฮาิฟาตอบทิ้งของสยึดของนาบี ถามต่อไปเกวายาแก่เกาลุสโซฮาบะถ้าหากว่ามันไปขัดกับสซฮาบะนบีนะคำพูดของอิหม่ามอบูฮานิฟานี่ไปขัดกับ ส, าสาบาดดาโซฮาบะท่านตอบว่าอุทรุกูเกาลีจงทิน้นคาพูดของฉันบีเกาลิสโฮาบะและไปยึดคาพูดของโซฮาบะแทนจากหนังสืออักเดลใจของอิหม่ามอัลบานี ้ะไปไน้องตกลงว่าอิหม่ามอบุฮาดิฟานเนี่ยสอนให้ยึดอะไรยึดสุนนะนบียึดกุรอานยึดสฮบะานบีเอามาดูอิหม่ามชาเียงี้ท่านพูดบอกว่าอิวะจัตุมขลาฟิสุนนะฟีกิตาบีขิลาฟิสุนนะ رسول الله ف ق و ل و ล بسُنَّةِ ر َ س ُ و ถ้าหากท่านไปพบในหนังสือของฉันเนี่ยขัดกับสุนนะนบี ท่านทั้งหลายจงยึด ข, ของท่านนาบีแล้วก็ทิ้งของฉันใครพูดนะอิหมามชาฟีไอเห็นไหมพี่น้องเอาละสรุปสั้นๆทั้งสีอิหมามนี่นะพูดเหมือนกันหมดเลยถ้าหากคําพูดของฉันที่ฉันเขียนเอาไว้สอนไว้บันทึกไว้ไปขัดกับอัลกุรอานให้ทิ้งของฉันยึดกุรอานถ้าไปขัดกับนบีให้ทิ้งของฉันยึดของนบีถ้่หากไปขัดกับสวบ่านนาบีให้ยึดของ สหาบาลเราก็ทิ้งของฉันอย่างนี้เป็นต้นทั้งสี่มัสฮับเลยแค่นั้นสีมัสฮับนั้นไม่ใช่เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่คุณราเข้าใจผิดไม่ใช่เพราะทั้งสี่มัสฮับนี้เรียกร้องโคนสูศอลัลลอฮ์และก็ซูลหมดเลยต่อมาครับอายาเนี่ตกลงการจะอธิบายอย่างนี้นะครับพวกกูเรชเนี่ยชอบขวางนาบีแล้วก็อลัลลอฮ์อก็ปลอบใจนบีว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปเครียดหรอก เขาแตกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะปล่อยเขาไปเลยแต่ว่าหน้าที่ตับลิกหยุดหรือไม่หยุดตับลิกหยุดไม่ได้สอนสาศาสนาหยุดไม่ได้ใครไม่เอาก็เรื่องของมันใช่ไหมแั่คนอื่นมีอีก <c oughs> นั่งกันสีห้าคนเนี่ยไม่เอาสี่อาจจะเอาคนหนึ่งก็ต้องพูดต่ อ, ตอไปเอาต่อมาอายะที่54บนะครับฟาซร์ฮุมฟีกัมรอติฮิมฮัด ตาฮินฟาซรรุม์ในกำมรติห์มัตตาฮินฟซารุหม์แปลว่าจงปล่อยพวกเขาไปปล่อยไปคามันไม่เอาอทําไงทําไง้ปไม่เอาแล้วปล่อยบังคับได้ไหมไม่ได้อิสลามไม่ได้บังคับให้ใครมารับอิสลาม ไม่แต่บางคนไปไหนเะขาไม่เอาใครไม่เอาก็ปล่อยไปแล้วก็ภาษาคุณอ่านดีนะปล่อยแบบไหนครับฟรีรอมรอติหิรมรอมรอนี่แปลปว่าอยู่ในความงมงายอยู่ในความเซ่เอเซะอยู่ในความงมงายปล่อยเข้าไปให้อยู่ในความงมงายไปเถอะนี่เอาล้อปลอบใจใครนะปลอบใจนบีเพราะนบีนเครียด ไปหาบ้านนั่นก็ถูกดามามาบันนี่ก็นบีก็ถูกดาไปถึงเบงตออิฟถูกเอาหินคว้างอัลลอฮ์ฉันนบีไม่สบายใจแต่เป็นห่วงอ่ะกลัวจะตกนรกอัลลอฮ์ก็ปรอบใจสัส่งราชหมปล่อยเขาไปฟีรอมรอดีฮิมให้อยู่ในความเสอือเส อ, อยู่ในความงง ง, งายไปเถอกรอมรอเนี่ยมีความหมายเดยสองอย่างยะลีฮิมอยู่ในความโง่เขา ยอมรัอยู่ในความบ่ละละอยู่ในความอะไรอยู่ในความหลงผิดท่านกตาได้อธิบายนะครับปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความโง่ไปเถอะหรือปล่อยเขาอยู่ในความหลงผิดไปเถอะนี่เป็นการปลอบใจท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลาฮฺปลอบใจพวกเราด้วยวันนี้นะครับที่ไปทํางานาศาสนากันเนี่ยไปน้นองบางทีเขาไม่เอ้าด่าเรากลับมาตรงนึกโอ คนที่ถูกมาก่อนนะใครบนบีอัลกามัดถูกมาแล้วฉะนั้นแล้วลุงน้องก็ต้องถูกบ้างมันน้อยกว่านบียังเยอะนบีนักหลอ่อนะครับปล่อยกี่วันปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความหลงผิดอยู่ในความมืดกี่วันครับฮัตตาฮินอภิบาลภาษากุรานพูดดีมากครับจนชั่วเวลาหนึ่งระยะเวลาหนึ่ง ไม่ได้บอกว่ากี่วันแต่อุลมามะตับซีนอธิบายว่ามีอยู่สองมีอยู่สองสองความหมายความหมายหนึ่งปล่อยไประยะหนึ่งจนกว่าเขาจะตายพอตายแล้วอลัลลอฮ์เล่นงานเองที่กุโบความหมายที่สองจนกว่าอลัลลอฮ์จะลงโทษเขาให้ตายลงโทษลงโทษก็ไม่รู้สึกอีกแตคนเ่าเนี้น่ะ ลงโทษก็ไม่รู้เช่นให้น้ำท่วมให้แผ่นดินไหวให้ไฟไหม้ให้อะไรเนี่ยให้ถูกอพยพหนีออกจากหมูบ่บ้านนี่เป็นอาณาของอัลลอ์ทั้งหมดนะเพราะอะไรเนื่องจากว่าคนเหล่านั้นไม่ใส่ใจเรื่องอิสลามของอาาัลลอ์สุบฮานะหัวตาเรื่องใหญ่มากครับพี่น้องเรื่องอิสลามอีนยิ่งใหญ่ดันั้นคนที่สนใจอิสลามดูแลศาสนาอิสลามแล้วก็ถูกรังแกอัเาจะแก้ง คือเป็นอย่างนี้คนดีๆเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ที่มีาศาสนาแล้วแล้วก็ถูกศัตรูเล่นงานเนี่ยรู้ไหมอรรถตองการจะเพิ่มอะไรเพิ่มรางวัลความดีให้กับคนคนนั้นให้มากกว่าเก่าข้อที่หนึ่งเป็นการลดโทษข้อที่สองโทษไม่มีแต่อรรถตองการจะอะไรนะเพิ่มอ่าเพิ่มรางวัลเพิ่มความดีเพิ่มลลบัลลบุญให้กับคนคนนั้นนี่สองนี่สองความหมาย อายะนี้ต้องการจะสอนว่ามุฮัมมัดเอ๋ยไม่ต้องไปเสียใจปอใจลปอบใจนะปลอบใจนบีบอกว่าใครที่ท่านนบีไปสอนแล้วเขาไม่เอาทําไงต่อยเข้าไปอยู่ในความหลงผิดอยู่ในความงมงายอยู่ในความเซ่อเซ่อไปอีกกี่วันครับพัตตาฮินจนชั่วเวลาหนึ่งคำว่าชั่วเวลามีสองความหมายจนกว่าเขาจะตายหรืออัลลอฮ์จะลงโทษเขาเองต้องมอบให้อัลลอฮ์จัดการงานนี้ แต่ว่าดาว่าหยุดได้ไหมไม่ได้ต็อทำต่อไปสอนต่อไปสอนจนกระทั่งตา ย, ยางไงล่ะพี่น้องนี่งเหมือนกันลูกเราก็เหมือนกันวัมวานมีคนโัวสับมาหาผมโอ้โ ห, โหลูกอ่านดูออาก็นแล้วเอามือจับหน้าอกก็นแล้วกอดก็กอดแล้วยังไม่เอาเลยศาสนาใจเย็นๆหลายคนนะตอนที่แม่พ่ออยู่เนี่ย ไม่เอาศาสนาพอพ่ อ, พอตายนะเปลี่ยนเลยครับในมีอยู่คนหนึ่งนะพ่อฝังที่กูโบ่จไปเอ่ยใครนะฝังที่กูโบเนี่ยมาทุกวันศุกร์มาธรรมะวันศุกร์มุธาน้อยมาที่นี่แหละมาเยี่ยมกูโบพ่อไอ้ตอนไอ้ตอนดีๆเนะี่ยมันจะเยี่ยมพ่อเจ้าไร น, นะพอพ่ อ, พอตายแล้วอลอพระคุณวัดวันศุกร์มานรมาที่นี่เดี๋ยวเราจะไปยืนขออุทิที่กูโบพ่อเห็นไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยน แค่นั้นหน้าที่ของเราเราไม่รู้วินีกสอนหน้าที่ของเรานะเป็นพ่อเป็นแม่คนนี้ต้องขอด้อาวให้ลูกเยอะๆและลูกที่อยู่ที่หอพักเนี่ ย, ยขอให้ใครเยอะขอให้พ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านสวนทางกันนะใช่ไหมเอาลูกขอให้พ่อแม่ขออย่างไงรัรบบิกฟิลลีวาลิวาลิดายวะรหัมฮูมากรรมะรบไบายาณีสตรีรอแม่อยู่ที่หานอยอยู่ที่สิงค โ, โปร์เอาขอตรว่าให้ลู ก, ลกอยู่ที่โคตม รบบนาฮับลานามินอ้วรจนาและรูกเรศนากรรตอายุนวละจําลนาลิลมุตตะกีนนาอิมามามันต้องขอกันอย่างนี้ขอกี่วันเราจะตายหยุดขอไม่ได้หยุดขอไม่ได้ขอทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันยิ่งลูกเก๊ๆหน่อยต้องขอวันหนึ่งห้สิบเที่ยวขับรถก็ขอกินข้าวขอขอกวาดบ้านก็ขอยาวลหอให้เปลี่ยนแปลงลูกชน่อยเถอะ จะพยายมันก็นเนี้ใช่ไหมทำอยู่เดิ๋ยวรออัลลอฮฺบัดยิ่งในี่กุรา น, นี่เป็นทางนําสําหรับชีวิตของพวกเราเข้าใจนะที น, นี้อาย่านี้อุนนอลมามะเขอธิบายอย่างนี้เป็นการปลอบใจท่านนาบีนะครับข้อที่สองเป็นสัญญาณร้ายของผู้ปฏิเสธหลักการอิสลามข้อที่สามปล่อยให้พวกเขาอยู่ในควา ม, มงมงายไม่ได้หมายความว่าหยุดสอนศาสนาไม่ใช่ ต้องเข้าใจคนอ่านด้วยนะครับอันทีนี้ถามว่าหัวใจเนี่ยมีกุญแจไหมเอาถามพวกเรามีไหมมีขนาดห้องเรายังมีกุญแจเลยปากมีกุญแจไหมมีครับล็อกเอาไว้ลอล็อกไม่ให้พูดเนะี่ยในวันเกียร์มาล็อกเย็บปากหมดเลยเองพูดไม่ได้มีลอ็อกกุญแจทีนี้ ต้องขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ให้อ AH, ัลลอฮ์เปิดไขกุญแจหัวใจด้วยมีอุทิศอยู่ต้นหนึ่งมีอุทิศอยู่ต้นหนึ่งอยู่บทหนึ่งใช่ไหมขอตอนไหนรู้ไหมตอนได้ยินเสียงอาจารย์ตอนได้ยินเสียงอาจา น, นย์นยอาาัลลอฮุบอลลอฮุบอัลลอฮให้ขอดุทิศให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจที่อ AH, ัลลอฮ์ไขกุญแจเอาไว้ใช่ไหมขอใครครับอัลลอฮุมมัฟตะ อัคฟาละกูลูบินาบิดิกริกะโอ้อัลลอฮ์เปิดทรงเปิดกุญแจที่ล็อกหัวใจของฉันไวไ้ในเธอโ ด, ดยการได้ยินเสียงของท่านอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัคบะนี่เสียงชมอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่โอ้ลอจ่าโปรดเปิดกุญแจที่อัลลอฮ์ล็อกหัวใจฉันไว้ในเธอเปิดใจฉันเนี่ยเราเคยขอไหม อาจจะไม่เคยขอเลยพอจะเป็นมุสลิมแล้วเป็นมุสลิมก็ต้องขออัลลอฮ์จ้าบางทีจะเปิดให้รับอิสลามแต่เปิดไม่ได้เปิดให้เข้าใจสุนน่านบีก็เยอะใช่ไหมเป็นแขกไปเป็นมุสลิมแต่แอนทีสุนน่านบีมีไหมมีแสดงว่าอัลลอฮ์ยังไม่ได้เปิดหัวใจที่นลอกเรื่องสุนน่าเอาไว้มันตกเปิดหมดเลยอ่ะสุนน่านะบีซาบานะบีต้องลอกเปิดด้วยอัลลอฮ์จะเปิด เปิดหัวใจคนท่านหน่อยที่แอนตี้ซุน่านาบีทาไมเนี่ยเปิดเพราะจ้อ um um ัลลอฮุมมัฟตะอักฟาลาคูลูบีนาบิซิกริกะอัลลอฮฺอักบารีเนีนบีจะอ่านดูอาบทนี้ขนานาบียังอ่านดูอาให้เปิดหัวใจล็อกหัวใจนะ่ะแล้วเราอขนาดไหนมันก็ต้องขอด้วยขอให้อัลลอฮ์เปิดล็อกหัวใจล็อกกุญแจหัวใจที่ถูกล็อกอยู่ในใจของเรานะครับบ้านเรามีอะไรต่างหนาอะไรทั้งล็อกเลยใช่ไหม เราหัวใจเราหมดสารพัดเลยต้องการใดหัวใจต้องใส่อีมานสองตากวาสามอิคลาสสี่ยาตีนห้าอียาซานใช่ไหมถ้าหัวใจไม่มีห้ารายการนี้่แสดงว่าหัวใจถูกล็อกถ้าเปิดเปิดยังไงเปิดเองเปิดไม่ได้ต้องให้อลัลลอฮฺอลัอลลอฮฺจะช่วยโดยหัวใจถูกล็อกแล้วถ้าไม่เรื่องอีมานไม่เข้า ทำไมื่องตักวาไม่เข้าเรื่องความบริสุทธิ์ใจทำไมไม่ไม่เข้าอย่างอื่นเข้าหมดที่เงินเราเข้า implemented implemented implemented? ปุ๊บป ate. ุุปุ๊เพราะอิคลาสไม่เข้าอิมานไม่เข้าตักวาไม่เข้ายากีนไม่เข้าอีซานไม่เข้าแต่ยาเรื่องเรื่องดุนยานี่เข้าหมดเลยบ้านเข้ารถเข้าที่ดินเข้าลูกเข้าเมียเข้าโฉนดเข้าแต่อิมานไม่เข้าตักวาไม่เข้ายากีนไม่เข้ายอยซานไม่เข้าอิคลาสไม่เข้าพอะไร เพราะกุญแจมันถูกล็อกที่หัวใจนะครับนะเข้าใจไหมนายเบนออลธรมดยลิล่เอาต่อมาอายะที่ห้าสิบห้าอยะสบูนอันนามานุมิดดุบบิฮิมิมมิมมาลิอุวะบันนนอายะสบุนอันนามานุมิด มิมลวะบาลินอาย حسب อันนนมาหนุมิมัลวะบาลินลดลลาารูความหมายบ้างมันจะดีไปนอมาดูตรงนี้อายนี้ต้องการจะอธิบายว่าความคิด ความคิดของมนุษย์เนี่ยคนที่มีาศาสนากับไม่มีาศาสนาคิดไม่เหมือนกันคนมีาศาสนาเนี่ยคนที่มีอัลลอฮ์น่ะเขาคิดห้ารายการคิดเรื่องอีมานทำมาอยู่ในหัวใจคิดเรื่องตักวาคิดเรื่องอิคลาสคิดเรื่องยาตีนคิดเรื่องียาสานให้อยู่ในใจเราเนี่ยอยู่ยังไง ออี ก, กลุ่มหนึ่งคนฝั่งนูน้นคิดคนละอย่างเขาคิดอย่างเดียวอ่ะเงินอะไรนะชื่อเสียงเกียรติยศตำแห น, งน่งคนฝั่งนู้นคิดเดี๋ยวนี้คนฝั่งคนนี้ก็คิดเหมือนคนฝั่งนูน้นเยอะไหมเยอะมากเลยใช่หรือไม่ใช่ใชคนฝั่งคนี้นะ่ะคิดเหมือนคนฝั่งคนนู้นมีไหมมีอลัลลอฮฺได้สอนกัมภีรุ้มานอายะซับูน พวกเขาคิดกันนั้นหรือเพียงแต่คำว่าคิดนี่นะคิดจะถ้าคิดเหมือนอิสลามคิดถูกถ้าคิดไม่เหมือนอิสลามคิดผิดถ้าคิดเหมือนกุรอานคิดถูกคิดเหมือนนบีมุฮัมมัดคิดถูกคิดเหมือนซาบานนบีคิดถูกถ้าคิดตรงกันข้ามคิดผิดหมดเลยครับเอามาดูเรื่องเงินกับเรื่องลูกเรื่องเงินกับเรื่องพวกคนกาแฟคิดยังไง คนมุสลิมคิดยังไงออามาดูครับอายะซาบูน่พวกเขาคิดกันนั้นหรืออันนามูมิดดูมแท้จริงเราได้ช่วยเหลือมัดดาอย่ามุดดูนุมิดดูแปลว่าเราช่วยนะเราเฮลเราช่วยสนับสนุนเขาเหล่านั้นช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นมิมมาลิน ด้านการเงินวาบานีนแล้วก็เรื่องลูกๆมาตลอดพวกเขาคิดกันนั่นหรือว่าด้วยทรัพย์สินสมบัติและลูกๆซึ่งเราได้ช่วยเหลือพวกเขามาตลอดนั้นคนกาเฟตคิดว่าเพราะ อ, อัลลอฮ์รักเขาอ้าคิดถูกคิดผิดผิด อัลลอฮ์ให้เขามีทรัพย์สมบัติคนฝังกนนูนนะอัลลอฮ์ให้เขามีเงินให้มีบ้านมีที่ดินมีตําแหน่งมีนูน่นมีนี่เต็มไปหมดเนี่ยพวกนี้คิดว่านี่อัลลอฮ์รับฉันอัลลอฮ์ให้เกียรติฉันอัลลอฮ์สนับสนุนฉันคนฟังมุสลิมมีอะไรอ่ะ ม, มีอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมตําแหน่งอบตก็ไม่มีตําแหน่งสจก็ไม่มีรัฐมนตรีก็ไม่มีมุสลิ ม, ม ตกตามอ่ารู้พวกเราสิอลัลลอฮ์ตำแหน่งนายกกมาเป็นนั่นเป็นนี้มีตำแหน่งเต็มไปหมดลูกก็เยอะพวกก็เยอะคำว่าลูกว่าจึงพวกเนะียพวกก็เยอะแล้วก็เงิ น, เ ง, นเงินก็เยอะเขามองว่านี่อลัลลอฮ์เมตตาอาลัลลอฮ์รักฉันอลัลลอฮ์สนับสนุนฉันอลัลลอฮ์แปลว่าถูกผูกเรื่ผิดคิดผิดนะคิดผิดครับแต่ด้านคนฝันฝนน้นที่อัลลอฮ์อัลลให้เขามีทรัพย์สินเยอะๆมีที่ดินเยอะๆทํานู่นทำนี่เนี่ ไม่ใช่อัลลอฮ์สนับสนุนเขาใช่ผิดเจนี้คิดยังไงครับภาษาอุดุวะโดกาโดกาเพถูกหลอก <c oughs> คนฝังคานุนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีที่อัลลอฮ์ให้เขามีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองมีพวกเยอะนั้นไม่ใช่เพราะความเมตตาของอัลลอฮลเราอธิบายอย่างนี้โลกดุนยาใบนี้เมื่อัลลอฮ์สร้างเสร็จแล้วนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืน ชั้นฟ้าแผ่นดินมนุษย์และสัตว์แปดรายการนี้พอสร้างเสร็จอัลลอฮ์ตีราคาราคาเท่าไรถ้าหากว่ามีค่าเท่ากับปีกยุงถ้ามีค่าเท่ากับปีกยุงกันยังมีค่าไหมในอิสลามสอนเราเปิดสมงองเราเออใช่ฮะถ้าหากมีค่าเท่ากับปีกยุงนะ ฉันจะไม่อนุญาตให้คนฝังกนู้นคนกาฟเฟสนี่น่ะดื่มน้ำสักอึกหนึงฉันไม่อนุญาตหน่อยัลลบิสลาระห์มิลลอะลย่างซี้อัลลอฮฺเนี่ยนะให้โลกดุลยามาเนี่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนแดดลมอากาศเย็นสบายๆนี่อัลลอฮ์ให้กับคนที่อัลลอฮ์รักเขาและไม่รักเขาด้วยให้คนฝังกระนี้และคนฝังกระนู้นพร้อมๆกันแต่อัลลอฮ์ะจะเลือก ให้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์รักให้เขามีาศาสนาอิสลามเห็นไหมครับนี่คำพูดของท่านนาบีนบีสอ น, นะครับใครที่มีาศาสนาคนที่เข้าใจอิสลามคนที่อ่านกุรานออกอธิบายคุร า, านได้เข้าใจสุนนะนบีนำเอาสุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจาวันคนคนนั้นเป็นคนที่อัลลอฮ์เลือกเขาแล้วไม่จะพูดเรื่องเงินเลยครับ ที่ต้องอย่าไปคิดคนกาเฟตคิดว่าถ้าหากฉันมีเงินเยอะอลัลลอฮ์รักฉันอลัลลอฮ์เลื่องฉันเอาคนที่มีเงินเยอะก่อนหน้าพวกเราที่มาเนี่ยใครมิสเตอร์กรอร์ไรกอรูลฟิรโนูนฮามานใช่หรือไม่ใช่เงินเยอะไหมเยอะมากเลยแต่ไปไหนครับตกนรกเอาอะมีเงินเยอะฟาโรห์ถูกจมน้ําตายเห็นไหม ส่วนภรรยานบีผัวส่วนภรรยาเครื่อนโอนไปไหนไปสวรรค์ทําไมล่ะครับไม่ใช่เพราะเงินเพราะอิมานสําคัญอยู่ที่อิมานฟาฟาโรไปนรกเพราะไม่อิมานต่ออัลลอฮ์ผ่านนบีมูซาส่วนภรรยาฟาโรเนี่ยอิมานต่ออัลลอฮ์ผ่านนบีมูซาจึงได้ไปสวนสวรรค์ของ AH อัลลอฮ์คุณอานอายะไนอิมานใคร อ, อ่นจะเนีบยบ่อยๆไรนะ อัอตตะรีมเห็นไหมอัลลอฮฺอัลลอฮฺฉะนั้นจะมองใครเด่นกว่าใครเนี่ยมองที่เงินได้ไหมไม่ได้ต้องมองที่ไหนครับ إ ي م านจะนั้น إ ي านเรื่องนักบุใจหมดเลยเราไม่รู้ฉะนั้นใครที่มี إ ي ม ا ن นะครับคนนั้นแหละเป็นคนที่อัลลอฮฺรักถ้ารวยด้วยดีไหมดีถ้าสวย ด, ด้วยดีไหมดีถ้ารอด้วยดีไหมดี ถ้าตะ ก, กูลดีด้วยอัลลอฮฺอ Allah, ัลกุรอรีลการครบหมดเลยแต่ถ้ามีอีมานมีาศาสนาแล้วก็เกิดจนๆหน่อยไม่มีปัญหาครับจะไปสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยคนฝันคนนู้นคิดว่าใครที่มีเงินเยอะๆมีพวกเยอะๆอะัลลอฮฺรักเขาเมตตาเขาไม่ใช่นะครับคนที่อัลลอฮฺเมตาก็คืออัลลอฮฺเลือกให้เขามีาศาสนาเข้าใจาศาสนาของอัลลอฮุ س ب าน ن ه และุทธาเล เอาต่อมาครับอายาสุดท้ายนะนุสรีเอาลหล่ามฟิลอยรอ ت ب ل ลา ي ش ع ر و นุสรเอาเหล่ามฟิล خ ลาอัลลอฮฺอัลกุบะฮอายานี้ชัดเลยไปนอง แปลว่าไงครับพวกคนกาเฟตคนฝั่งนู้นเข้าใจว่าที่เขามีเงินนั่นเพราะนูซาเรโอและฮุมเราได้เร่งประดังเราได้รีบประทานให้เขาใช้พิษคิดว่าอลัลลอ์เนี่ยเร่งเร่งประดังให้สิ่งที่ดีๆทั้งหลายแก่พวกเขาเงินมันจะของดีนะ อ้าวคนที่มีเงินเข้าสวรรค์มีกี่คนอ้าวฟาโรห์ไปไหนอำนาจก็มีเงินก็มีไปนรกอ้าวเงินดียังไงอีมานต่างหากถ้าอีมานดีแล้วมีเงินอัลลอฮฺหุบอัลลอฮฺอัลลอฮฺมุลิลละมีอีมานมีตักวันมีอิฮซันมีอิคลาสมียะตีนแล้วมีเงินด้วยดีไหมโอ้โหหุบอักบัฮฺอัลลอฮฺมุลลิลละแต่มีเงิน มีชื่อเสียงมีตำแหน่งแต่ออเซนไม่มีตักว่าไม่มี إ ي م านไม่มีดีไหมเรียบร้อยเลยอักบูบานี่ไงพื่อน้องฉะนั้นเพือนาเพื่นน้องอย่ามองอะไรผิดนะอย่ามองเงินใหญ่กว่าอิมานไม่ใช่อิมานใหญ่สุดโลกใบนี้ที่อยู่ได้เพราะคนณอิมานต่ออัลลอฮ์นะคนอิมานต่ออัลลอฮ์ที่ไปเดินต่อ ว, วา่าติกกาบานเนี่ยทําให้ความชั่วที่อยู่บนโลกนี้ คนที่ทำบาปอัลลอฮ์ไม่รีบทำลายเพราะคนอิหมานประคองอยู่กว่า น, นี้แค่นั้นพวกคนที่กินเหล้ากินยาทำสีนามันต้องมากาพวกเราเองนี่ประคองดุนยาไว้ไม่พังต้องมาหาุสลิมเอมุสลิมในกลุ่มนี้กลุ่มดีที่สุดที่ประคองโลก ด, ดุนยาใบนี้ไม่ให้เลวมากกว่านี้ไม่ให้ฉีบหายมากกว่านี้ ไม่ให้น้ำท่วมมากกว่านี้ไม่ให้แผ่นดินไหวมากกว่านี้เพราะอัลลอฮเมตตาคนที่มีอีมานบนโลกดุนยาใบนี้เท่านั้นที่น้องเขาไใจนะนูซารรอลาฮุมฟิลไคยร์คนขวัญก็นูนเข้าใจผิดว่าเราได้เร่งประดังสิ่งที่ดีๆทั้งหลายแก่พวกเขาบัลบัลแปลว่าเปล่าเลยเองคิดผิดเองทังหา ละยาชารูนพวกเขาไม่เข้าใจพวกเขาไม่มีความรู้สึกพวกเขาหาตะหนักไม่เพราะไม่เข้าใจไงไปนอนเข้าใจว่าเงินคือที่มาของความยิ่งใหญ่ของโลกดุนยาไม่ใช่เพราะคุณเข้าใจผิดถึงได้ทรยศต่ออัลลอฮสุภาณอูบานาลอ่ะทีนี้ <c oughs> มีเงินมากมีลูกมากคนกาเฟตนึกอีกนะคนนสมัยนบีนี่เราว่าฉันจะไม่ถูกลงโทษในโลกอาคีรค์คนที่มีเงินเยอะมีพวกเยอะมีชื่อเสียงมีตําแหน่งจะไม่ถูกลงโทษในโลกอาคีรค์คนฝังคนุนคิดคิดผิดจะคิดถูกคิดผิดอย่างแหวกเลยเพรฉะนั้นพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ให้คนฝังคานุนะมีเงินมีชื่อเสียงมีตําแหน่งเนี่ย มีอยู่สามรายการปีดคำตอบนะข้อที่หนึ่งสนัสตาเดริยูหุมมินไฮสุลายะอัลมูนพวกเขาไม่รู้สึกตัวว่าพวกเขากำลังเดินสู่ความหายนาะเขาไม่รู้สึกตัวครับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามแอนตี้ซุนนะนบีแล้วก็อัลลอฮ์ให้เงินให้ทองให้ชื่อเสียงเกียรติยศรู้ไหมนะ เขากําลังเดินไปสู่ความหายยานะทีละขั้นละขันะข้นละขั้นละขั้นโดยไม่รู้สึกตัวถึงได้กล้ายิงเมียตัวเองตายข่าวออกบ่อยๆใช่ไหมพอยิงครูรักเสร็จแล้วก็มายิงตัวเองมันเขาไม่รู้สึกเลยว่าเขายิงเนี่ยมันได้อะไรมันได้สวรรค์ส่วนไหนของสวรรค์คิดไม่ออก่ะตันหมดแล้วใช่ไหมเรื่องที่สองนะครับ การมีเงินนั้นไม่ใช่เป็นความรักของอัลลอแต่เป็นการทดสอบนีสอนใครสอนคนฝังโนูนแต่ไม่ไม่เข้าใจนะลายอโรวูนคนฝังนี้ทำท่าจะเหมือนคารุนาวันนี้นะคนตรงนี้ต้องคิดนะพอมีเงินภาพเนี่ยอัลลอรักทดสอบจ่ายสกาศเป็นบ่าวจ่ายศาดก็เป็นไหมจ่ายฮาดิยาไหมจ่ายวากาบไหม ถ้าไม่มีเสียดายการนี้เองมีเงินเท่ากับพาตัวเองลงนรกโดยอัตโนมัติเลยครับเรื่องที่สามบาอุมลีลาหุมอัลลอฮฺประวิงเวลาเอาไว้เท่านั้นเองยังไม่รีบลงโทษเพราะอัลลอฮประวิงเวลาแต่พวกนี้ไม่รู้สึกอ้าวประวิงเวลาดีไหมพี่น้องอย่างพวกเราเนี่ยเป็นแขกจะไม่นมานมีไหมที่ตกเมียมีไหม ที่ด่าภระยามีหไหมมีทั้งหมดถามว่าทำถูกกระทำผิดผิดอลัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษต้องการจะประวิงเวลาเอาไว้เพื่อให้เขาได้หันกลับมาเรียนศาสนาใหม่เพราะอิสลามเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวได้ยิ่งเอาอะไรแต่ความรู้มาจากยะฮูดีเรียบร้อยเลยครับอเอาอิสลามเอาว่าเอาสุนับีกับอาบีอยู่กับภรยาอยู่ยังไง อาละวักวักอ้าวเราเภรรยานาบีดิ่นะนบีอยู่กับนายบาอยู่กับภรรยาทำงี้นาบีจะช่วยภรรยาบ้างเข่นเข้าไปในครัวเอามือภรรยามาไปไงเมื่อยไหมเหนื่อยไหมเราเคยทำไหมนู่นไปทําก่อนนิกานู่นอ้อนรอวักวักนบีจะเข้าไปในครัวไปจับมือภรรยาเห็นไหมแล้วก็นบีจะช่วยกวาดบ้าน ปะรองเท้าอันนี้ทำเองหมดเลยนะกวาดบ้านปะรองเท้ารีดนมแพช่วยกายช่วยภรรยาแล้วก็หอมภรรยาด้วยอาล้อเขาอักบัฉะนั้นอยู่ในครอบครัวจะมีความสุขต้องมีสองอย่างนะหนึ่งอับัติอดทนสองอะไรให้อภยัยต้องฝึกการให้อภัยก่อนนะแล้วก็ฝึกการอดทนบนโลกดุนยาไปนี้แล้วก็ทำกับคนในครอบครัวก่อน แล้วก็พูดกับพยาพูดไงที่รักจา๋าพยาก็เรียกพี่พี่จา๋าโอ้ยตพูดเพราะเพราะเนี่ยคนแบบกูแกแล้วพูดไม่ท ำ, รทำหรอกจะทาตอนไหนน่ะตอนตอนแกแกนี่แหละเมีย ว, ว่าโอ้โหไปแต่ฟังเต่าซีนมาเนี่พูดจาเพราะจากเลยนะเมื่อก่อนตอนนี้ทันตาบ้าตัวแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วเอาสรุปพี่น้องอย่ามองว่าคนมีเงินเป็นคน ยิ่งใหญ่เป็นคนอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์รักคนตัวนี้ใช่หรือไม่ใช่คิดผิดต้องคิดใหม่นะคนที่อัลลอฮ์รักก็คือคนที่มีอีมานมีอีมานมีอิคลาสมียากรีมีตัคแวมีอิสซาห้าข้อนะครับคิดใหม่นะอย่าคิดว่ามีเงินมีชื่อเสียงมีตําแหน่งเป็นนู่นเป็นนี่อัลลอฮ์รักคนกลุ่มนี้ไม่รักคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คิดผิดนี่ไง อัลละอธิบายในัีรคุณอ่านคนฝาก่น้นคิดว่าการมีเงินเป็นของที่อัลละเมตตาไม่ใช่ถามว่านบีที่รวยมีไหมมีครับนบีแะไรครับนบีสุลัยมาเออลืมเล่าเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วนะพูดว่าคนยัฮูดีถามนบีกี่ข้อนะ26สบหข้อถามอุลมะมุสลิมชื่อบายจิยี่สหข้อตอบหมดเลยมีอยู่ข้อหนึ่งพฐานมันยัง มีสิ่งมีวัตถุอะไรที่ไม่มีวิญญาณเดินประวัติใบตุลลอหรอขเราก็ตอบไม่ได้นะเรือนบีนวัวเป็นสิ่งเป็นวัตถุชนิดหนึ่งมีรั่วไหมวิญญาณมไม่ไหเรือเนี่ยไม่มีเป็นวัตถุเขาถามอุลามะมุสลิมบอกว่าอะไรวัตถุอะไรที่ เดินเวียนใบตุลลอจนเจ็ดรอบอุลามะตอบว่าเรือนาบีนวัวพอน้าท่วมพอท่วมอยู่แล้วเรือยังก็แล่นไปถึงพอถึงใบตุลล้ออ๋อเดินตะว่าหมุนอ๋อเจ็ดรอบเรือนาบีนวัวอะเลฮิสซาลาห์แต่ถามอีกข้อหนึ่งเออถามบอกว่านึกไม่ออกแล้วเอาข้อเดียวพอแล้วก็ถาม อุลมามะมุสลิมถามคุณยิวถามว่ากุญแจสวรรค์อยู่ที่ใครตอบได้บ้างตอบไม่ได้อุลมามะมุสลิมถามบอกว่ากุญแจสวรรค์อัลลอฮ์ให้ใครถืออา้าวอัลลอฮ์ให้ใครถือมาชาะอัลลอฮ์ให้นบีบุญผัดถือฉะนั้นใครที่ไม่ตามนาบีไม่มีสิทธิ์ได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภาเพราะนาบีเป็นคนขกุญแจ ค, คนแรกเลยนบีเคาะประตูเป็นคนแรกด้วยแล้วลูกน้องนบีเดินตามหลังนบีเป็นแถวข้าวขึ้น เติบโตน้องจะได้กุญแจอยู่ที่ใครนะอยู่ที่นบีมุฮัมมัดลลัลอลยฮิวสันลมาุบฮานะกุมมวบิฮัมดกาลลอิลลอัสตัุกวะตบลกุสลามอลกุมะตุลลอฮบรกต